ใจเองมันเปลี่ยนไหมไอจิตมันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะนะแม้เราจะบอกว่าเป็นอารมณ์เดิมแต่จิตมันมันเหมือนไคล้ายมันมันก็เปลี่ยนใหม่นีละขั้นคล้ายๆเหมือนกับเข็มเข็มนตาเข็มนินาทีนะมันจะเคลื่อนบ่อยๆแบบนั้นแหละจิตมันก็เป็นทีละขันนะ ทีละขนาดทีละขนาะเห็นวินาทีก็เพื่อนที่ละขนาดที่ลักนาด เ, เ, เห็นยาวเห็นสั้นก็นานๆเสลื น, น, น, น, นทีมากกว่าบางทีเราก็ได้รู้สึกว่าอารมณ์มันเหมือนคงที่นะหรือว่าอารมณ์เดิมซ้ำๆนะแต่จริงแล้วคือมันเปลี่ยนที่ลักษณะที่ละขนาะ น, านอกจากบางทีเรามีอะไรที่มันกระทบ ช, ชัดๆนะ เปลี่ยนแรงแรเราเปลี่ยนเอ้อมันเปลี่ยนเปลี่ยนจากดีใจเป็นเสียใจนจากง่วงนอนมากๆตื่นขึ้นมาเลยก็มีนะหรือตื่นดีๆง่วงนอนต่อก็มีนะมันก็เป็นอารมณ์ที่มันเปลี่ยนที่ลักษณะที่ลักษณะถ้าเราปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะมันดีปฏิบัติธรรม เขเปลนกันทุกคนแหละอจาราเองก็ปฏิบัติแรกๆก็ก็ม่วงนอนมากนะม่วงนอนเดินจงกงมมีม่วงไหมเดินเซ่ไม่ค่อยชอบนั่งพอนั่งจะม่วงไปเดินอะก็เลยเดินเป็นดัดนะเดินจนกรมนะกลับไปกลับมานะม่วงนอนบ้างคิดมากบ้างนะคิดบางทีก็คิด คิ ด, ดปฏิเสธ ป, ปะคิดเรื่อยๆนะหรืองทีก็ ค, คิดในธรรม ะ, ะพิจารณาธรรมะแต่จริงก็คือการคิดเราตอนแรกปฏิบัติไม่เข้าใจว่าธรรมะมันจะเข้าใจได้การเป็ยางคิด <c ười> คิดไม่เข้าใจเวลาครูบาอาจารย์เทศหรือสอนเรายังไม่เข้าใจนะเราคิดว่า เดินไปคิดไปมันที่ช่วยเราเข้าใจได้ดีขึ้นแรกๆจะคิดงสงสนยว่าคำว่ารู้สึกตัวมันมันเป็นแบบไหนเนาะมันคืออะไรนักภาวะเป็นแบบไหนเพราะแต่ก่อนปฏิบัตนะิเราไม่เคยรู้จักคำว่าความรู้สึกตัวเราเคยได้ยินแต่ว่ไให้ทาสมาธินะทําสมาธิ อทำความสงบอะไรนะั่นเออแบบนั้นก็เคยทำมาบ้างเออแล้วก็เขเคยได้ทำพลาดมาบ้างกับความสงบนะขั้นะ ท, ที่เป็นสมาธินะแต่การทำความรู้สึกตัวมันต่างกับการทำสมาธิบนะ า, างทนะีท้าทางอาจจะเหมือนกันนะแต่การแต่สภาวะนี่มันแตกต่างกัน คำว่าคำควา ม, วามตัวเนี่ยมันเหมือนเป็นคำที่ง่ายมากนะเป็นคำธรรมดามากนะเพราะบางทีเราออกมาใช้ในชีวิตประจำวันเนาะแต่ความรู้สึกตัวแบบทางโลกนะมันต่างจากความรู้สึกตัวแบบทางธรรมพอสมควรเราเราทรียกความรู้สึกตัวกับคนที่เช่น คนหมดสติไปเนะแล้วก็เขาฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ารู้สึกตัวหรือคนไข้เวลาบางยาตะกบนะพอยาตะกหมดติแล้วก็อตื่นขึ้นมาเนี่เรียกว่าคนไข้รู้สึกตัวแล้วนะความรู้สึกตัวทั้งโลกมันมันเปลี่ยนแค่ร่างกายมันมันตื่นขึ้นมาตอบสนองกับสิ่งต่างๆหรือรับรู้สิ่งต่างๆได้ นั้ความรู้สึกตัวทางโลกเป็นแบบนั้นแต่ความรู้สึกตัวในทางธรรมเนี่ยมันเป็นแบบไห น, นเราก็ยังไม่เข้าใจนั่นะเราก็สงสัยปฏิบัติแรกๆ ก, ก็มาเกิดสงสัยมันเป็นแบบไหนเนาะให้ทําความรู้สึกตัวกับการทร้างใจหวะทําความรู้สึกตัวกับการเดินจนกลมพยายามหายนะแรกๆหาความรู้สึกตัว เหมือนกับค้ายๆหากลุ่มซับนะเดินเดินหาความรู้สึกตัวนะทำแบบไหนี่นี่รู้สึกตัวเป็นการใจพอดีนะแต่ก็ยิ่งคิดเดินหายิ่งไม่เจอนะแต่พยายามที่จะหาความรู้สึกตัวแต่ยิ่งไม่เจอคล้ายๆเหมือนเราเราจะพยายามไปเดินหาเงาตัวเองนะแต่ไม่เคยมอง กลับไปข้างหลังว่าเราเป็นข้างหลังเรานี่เองมันอยู่กับตัวเรานี่เองเราคิดเราคิดแต่เราไม่รู้เราสงสัยแต่เราไม่ได้กลับมาดูตัวเราที่จริงของมรู้สึกตัวมันก็มีอยู่กับเราอยู่แล้วนะเพียงแค่ที่จริงเพียงแค่เราหายใจสบายสบาย รู้ถึงการหายใจเข้ า, าหายใจออกเลยไม่ได้แบบกาหนดอันน้มันก็รู้สึกตัวแล้วเราเอามือซ้ายวุง ก, กับของเขา่าเรารู้สึกถึงการสัมผัสกันของของมือแล้วก็เขา่าเราอยู่กับการสัมผัสกันตรงนั้นอันนี้ก็เป็นความรู้สึกตัวละเรายกมือทีละขนาะเป็นจังหวะ นะก็เป็นความรู้สึกตัวแหละนะใจเราอยู่กับการยกมือนะแต่ไม่ใช่ปีต้องกับการยกมือเป็นการรู้สึกตัวแบบสบายๆบบนะจะทําอะไรก็เงจริงๆก็ให้ใจเราอยู่กับการทำนี่เองอย่างหยุดที่วัดบนงทีกว่าด้างวัดนะกว่าด้างวัาก็มือก็จับไม้กว่าวเขียงใต้เหนี่ยขวานะ เราเป็นสติกับการเมียอไม่กว่าทำท้ายทำขวาไปนะใจไม่ต้องมีคิดว่าเมื่อไรมันจะเสร็จไม่ต้องมีคิดว่ามันเหนื่อยนะเราก็อยู่กับการกว่าไปทําไปทําไปมันก็เสร็จเหนื่อยบ้างก็พักนะให้เรารู้สึกตัวสบบนั้หรือเดินดินกีบ่าก็รู้สึกกับการเดิน ไม่ต้อไปคิดว่าวันนี้จะได้มากได้น้อยนะืมหรือได้มากมันหนักก็ไม่ต้องไปบ่นบ น, นะได้น้อยก็ไม่ต้องไปกลัวน ะ, น, ะว น, วนั่นก็รู้สึกตัวตรงนี่ยเราลองสังเกตไหมเวลาเราทํากิจต่างๆเรา อ, อยู่กับกิจที่เราทํำไหมเราอยู่กับตัวเราไหมหรือว่าเราไปอยู่กับความคิดเราไปอยู่กับความกังวล ปฏิบัติใหม่ๆพยายามทาความเข้าใจเรื่องความรู้สึกตัวให้ชัดเจนความรู้สึกตัวนี่ไม่ใช่กันคิดความรู้สึกตัวคือการสัมกับสัมผสวัตที่มันเป็นปฏิบัตนิขนาะจริงๆในตอนนี้แหละตางกายเราทำอะไรเราสัมผัสเราอยู่กับมั น, นและรู้รู้มั น, นรู้มันแบบ เห็นมันตามความเป็นจริงนะมันเป็นสภาธวะสร้างความรู้สึกตัวแหละโดยอาศัยรูนแบบการเคลื่อนไหวที่ยบทต่างๆนี่แเป็นการสร้างความรู้สึกตัวหรือมันมียบทที่เป็นธรรมชาติหรือมีอิ่งที่มากะทบกับร่างกายแล้วรู้สึกตัวได้นะเดินไปรมพักปูุกร่างกายนะ เรารับรู้ถึงลมที่พัดมาเนี่ยมันเป็นการรู้ตัวแล้วนะแต่สังเกตวก่บางทีทําไมคนชอบไปนั่งที่ชายทะเลนะเป็นนั่งตากลมส บ, า, บ า, ยายใจผ่อนคลายเยพราะเรารู้ตัวนะเราชอบไปนั่งที่ที่ลมพัดสบายลมพัดมาเมื่อเราเก็กบสบายมีความสุขอันนั้นคือความรู้ตัว แต่ถ้าใครนั่งตาคงแต่ยังอคทุกข์อยู่นั่นก็รู้สึกตัวเนี่ยมันมันอยู่ที่ถ้าเราสัมผัสกับธรรมชาติที่ปัจจุบันเราจะวางความคิดวางความทุกข์ไปคิดก็มีความสุขอันนี้คือเป็นความสุขที่เราเกิดจากการที่เรารู้ตัวลองพยายามกลับมาสัมผัสตรงนั้นให้มัน ม, น ม, นมากๆะวางความคิดวางความสงสัย นะออกไปจะติดใจนี่มากที่สุดนะความคิดความสนใจไไ ด, ในะ ไ, ได้ช่วยให้เราเข้าใจชีวนะิตไมันได้ช่วยให้เราเข้าใจธรรมะมีใจทำให้เราวนเรียนหลงนะอยู่ในการยังคิดยังทําคิดแล้วก็ว่หลงใยพยายามที่จะหาคําตอบนะหาคําตอบโดยการถามบ้างหาคำตอบดยการคิดบ้างนะ บางที่หาคำตอบไม่ได้ก็บวยอยู่เช่นนั้นบ้างแต่จริงเราก็สามารถรู้สึกตัวว่าเราเปราดังสงสัยอยู่ก็ได้นะลับมารู้สึกว่าเอนจิตมันสงสัยอับมารู้สึกตัวว่าจิตมันอยากจะรู้คาตอบขับมารู้สึกตัวว่าจิตมันมีความไม่แน่ใจ เมื่อทีปฏิบัติทรรเราก็จะมีความไม่แน่ใจว่าเราปฏิบัติถูกหรือปฏิบัติผิดเรามีความกลัวว่าปฏิบัติอย่างนี้มันผิดทางหรือเปล่ากลัวจะปฏิบัตินานๆไปแล้วก็ยิ่งผิดทางยิ่งออกนอกรูนอกทางไปเรื่อยนะเรามีความกลัวนะมาคิดว่าหลายๆคนก็เป็นเช่นนั้นไม่คนะ่อยแน่ใจ อยากใี้ครูบาอาจารย์รับรองอยากให้ปรูบาอาาการันตีนะแต่จริงตัวเราเองนะการันตีตัเองได้เราสังเกตเวลาเรารู้สึกตัวแล้วจิตมันเป็นปกติจิตมันเบาสบายจิตมันมีความตื่นรู้นะเราสามารถรับรองตัวเองได้เลยว่าเพราะอันนี้เป็นภาวาที่มันไม่คิดทางแต่ถ้า บางขาะจิตมั น, น, นแน่นแน่นจิตมันเบอเบอรจริตมันซึ้งซึ้งนะจิตมนนันหนหนากอันนี้แปลว่าถ้อเราคงปฏิบัติไม่ถูกเนาะนะให้เราสังเกต ด, ดูตัวเราแบบนี้ไม่ต้องให้ใครนับรองให้กับตัวเราให้เราคอยสังเกต ด, ดูว่าขณะที่ปฏิบัติจิตใจเป็นแบบไหนนะจิตใจมัน เบาสบายแต่ไม่แค่ร่องรอยนะนะไม่แค่ร่องรอยจิตมันสงบสงบแบบรู้ไม่ใช่สงบแบบนี้งนะไม่ใช่สงบแบบชมลองสังเกตเลยสงบเพราะว่าไม่ไหลไปกับอารมณ์แล้วก็จิตมันตั้งมัน่นแม้มีอารมณ์กระทบนะแม่มีความรู้สึกเกิดขึ้ น, นมาแต่จิตมัน คล้ายๆมันมันไม่ไม่ไหวไปเหมือนกับต้นไม้นะต้นไม้ต้นใหญ่ๆลมมันพัดมาต้นไม้ก็ไม่เอ็เอียงหรือแม้จะ เ, เอเอียงก็เป็นเพียงแค่ขีดเป็นเพียงแค่ใบนะแต่ลำต้นยังคงมั่นคงอยู่จิตของเราก็เหมือนกับจิตที่ฝึกดีจิตที่รู้สึกตัวเหนะมือนกับลำต้นต้นไม้ต้นใหญ่ โดนพัดมานะความคําสั่นเสริญคํามอิจฉาเนีย่ยมันคือลมที่พักเนะีเข้ามาสู่หูเรามันสู่ใจนะถ้าเรามีรู้สึกตัวมันก็เป็นความชอบเป็นความชังมันจะไหวเพราะใบมันแค่เหมือนเป็นใบไม้ที่มันไหวแต่ลำต้นเนี่ยคมมั่นคม อ, อยู่อีกใจเราก็เป็นเช่นนะั้นนะหรือแม้แต่เราจะรู้สึกว่าเรา รู้หรือสุขพอใจหไม่พอใจกับสิ่งที่กระทบเราก็กลับมาดูกับมาเห็นเจกลับมาสะท้อนดูมันใจใจนะอะาสะท้อนดูแรก็ๆตื่นเต้นเราปฏิบัตินะเราก็อยากแล้ว ก, ก, ก็ไม่ชอบอมาเข้าเป็นเราก็ไม่ชอบไม่ชอบที่มันมันพุ่งซ่าไม่ชอบที่มันไปคิดอีกแล้วะ หมดหิดนะหมดหง ต, ตัวเองที่ปรุงสร้างหมดหงิดตัตเองที่ไปคิดเรื่อนั้นแล้วก็เป็นคิดบ่อยกันงะหมดหงิดที่มันตัเองไม่ดีนะมันก็หมดหงิดนะส่วใหญ่บางคนก็จะเป็นคนคที่หมดหงิดที่รำคาญนะเห็นนั่นเห็นนี้นะต้องหมดหิดก็ราคาญไม่ถูกใจนะหรือบางคนค่อนข้างโรแมนติกนตชอบคิด ชอบฝันนยเห็นนั่นก็สวยเห็นนั่นก็ดีนะหรือชอบคิดแต่เรื่องดีๆนะมันก็มีกันบ้าง น, นะแต่ให้เข้าใจเลยว่านะหรือให้เหมามันรวมเลยว่าไอ้ควเนี้ยความคิดเท่านั้นนะไม่ใช่ความคิดไม่ว่าจะคิดดีหรือคิดไม่ดีนะให้เหมามันรวมเลยมันเป็นแค่ความคิดนะ ไม่ใช่จิตที่แท้จริงเราตัดมารู้สึกตัวเนี่ยเราจะตับมาสูกก่จิตที่แท้จริง น, นะเอ๊ะความคิดเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จิตที่แท้จริงของเราเรอจิตที่แท้จริงคือสภาวะปกติปกติสภาวะที่มันก่อนการคิดนะมันเป็นสภาวะที่ปกติธรรมดาการที่รรู้สึกตัวเนเป็นสภาวะที่ กลับมาสู่ความเป็นปกติของจิตกลับมาสู่สภาวะการณ์ที่ปุงแต่กลับมาสู่สภาวะการที่มันสงบนิ่งแต่ความคิดอารมณ์เนี่ยมันมาที่หลังนะมันเกิดขึ้นมาที่หลังนะมันเป็นสิ่งที่ชั่วคราวนะเป็นจิตที่ชั่วคราวคล้ายเหมือนกับร่างกายของเราสมบุนะสมบุกกับร่างกายเราเกี่ยวเหมือนกับ เป็นกิปกตินะมันก็มีเพียงแค่ไอวิญญาณนะที่พ่อแม่ให้เรามาที่เราเติบโตขึต้นมาแต่สิ่งที่มันมาทีหลังนะคือเสื้อผ้านะกางเกงต่างๆที่เราใส่ที่เสวมเนะี่ยมันเป็นเพียงแค่สมมุติที่มามาปิดบางนะเอาไอวิญญาน้อยใหญ่ที่เราใส่นะอารมณ์ก็เหมือนกันนะอารมณ์เหมือนกับเสื้อผ้านะ ที่เราผาสมใส่ในจิต ใ, ใจของเราแต่จริงตัวเนื้อหนังบางากของเรากับเสื้อผ้าเนี่ยมันเป็นคนผสมกั น, นถ้าเรามีสติเราเป็นเห็ น, นเนราจแยกได้ว่าให้จิตเติมแท้ที่มนเป็นปกติมันเป็นแบบนี้ไอ้ความคิดอารมณ์เนี่ยมันมาที่หลังเี้นะแล้วที่จริงมันแค่เห็นเฉยๆนะมันก็หายไปก็ได้ละเออ หรือบงทีมันไม่หายแต่ใจเราตั้งมั่นอยู่เออแกจะอยู่ก็อยู่ไม่ต้องโวยวายนะเพราะมันต้องหายมันก็อยู่กับมันได้นะอไม่เป็นไรก็อยู่ในขณะก็ได้ให้เราวางใจเป็นกลางนะใจเป็นกลางนั่นแหละใจที่เรียกว่ามีการรู้สึกตัวเป็นสภาวะเป็นผู้ดูนะเป็นผู้ดูแต่ถ้าเราอเรา เราว่าเรารู้แต่เราก็ยังมีความชอบมีความชังมีความพอใจไม่พอใจเนี่ยแล้วใจเลยไม่เป็นกลางคล้ายๆเราว่าเรารู้แตแอบลุ้นจะจะรู้สึกตัวแต่ลุ้นหลือมีความอยากที่จริงก็คือมีความอยากในใจแหละอยากที่มันหายออยากที่มันมถ้ามันดีก็อยากให้มันดีแบบนี้ต่อไป ดีเราปฏิบัติทำเนี่แรกๆพอทาไปเยอะๆนะขยันสักหน่อยอดทนสักหน่อยนะทาไปเนี่ยมันจะมีประภาวะที่เหมือนๆจะได้ว่าได้อารมณ์ปฏิบัติแล้วได้อารอามณ์เจอทำแล้วมันเพลินทำแล้วมันมีความสุขทำแล้วมันเบาสบายนะใครได้อาระนะอามณ์นะนะั่นก็ทำได้ทั้งวันนะบางทีไม่อยากนอนนะก็ทำจนตกเลยกับการปฏิบัตินะ ปฏิบัติแลได้ลมมันรู้สึกทําเบาๆสบายๆก็ดีนะก็ดีอได้ลมในการปฏิบัติมันทำให้เราเ อ, อเห็นเห็นคุณค่าในการปฏิบัติหรือว่าเห็นผลในการปฏิบนะัติเนี่ยชัดขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังว่าเนบะางทีมันมันเพิดเกินไปนะเพลินจนไม่อยากทําอะไรนะไม่อยากทําอย่างอื่นนะ บางทีไม่อยากไปกินข้าวบางทีไม่อยากอาบน้ํำนะบางทีก็ไม่อยากนอนนะไม่อยากพูดไม่อยากคุยกับใครหรือบงทีผ่านไม่อยากกลับไปทํางานอก็มีมันก็เป็นอารมณ์ที่เกินนะก็เป็นสภาวะหนึ่งขึ้นแต่หลายคนถ้าฏิบัติมันก็จะเจอนะก็แต่บางทีก็ต้องมีความ แก้ลมในบ้านนะบางทีก็ต้องขึงคาเวลามันก็ต้องพักก็ต้องเปลี่ยนไปทํากิจวัตรบ้างแม้มันเจ็บเพลินขนาไหนแต่ก็เอามาิดนะจะเดียวเยาได้มันให้เห็นว่าอารมณ์เกิดขึ้นได้มันก็ดับได้มันมีได้เอมันมีมาได้มันหายไปก็ไม่เป็นไรหายไปก็สร้ซายมา แต่เหมือนคล้เราก็ไปทำกิจอย่างอื่นแต่เราก็ทำอย่างความรู้สึกตัวที่จริงมันหายจะหายไม่ต้องไปเสียไดนะแต่คนใหญ่พอเราเผลอเธอแล้วถ้าเรามันหายไปเราเสียดายเสียไดายสภาวะเพราะอะไรเรายังไม่เห็นตามความเป็นจริงว่าสภาวะทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นมันตั้งอยู่แล้วก็จากไปไม่ใช่ตัวเราที่จะไป เอาตีสำคัญมั่นหมายตียึดมั่นถือมั่นนะท่านั้นมันจะปฏิบัติเพรามันจะเป็นปฏิบัติเพื่อให้เป็นสิ่งที่มันคงที่ครับนคะําว่าคงที่งคงทนเนี่ยมันตรงข้ามกับคาว่าอานิจจนะ์อนิจจ์คือความไม่เที่ยงแต่เราอยากให้มันเที่ยงใช่ไหมเราปฏิบัติเราเข็มติดตัวนี้ยแหละปฏิบัติเพมันไม้อารมเนี่ยเราอยากให้มันเที่ยงเป็นแบบนี้ตลอด นะแต่จริงความไม่เที่ยงเนีเป็นปฏิจจธรรมความเทียเ่ยงนีไม่ใช่สัิจจธรรมนะหรือเราก็ท่บ่ายแล้วเราพอมันมีความสุขมีความสบายเราอยากจะประคองมันเราอยากจะรักษามันเราอยากจนอยู่แบบนี้ตลอดไปนะแต่จริงมันตกลงก็จะต้องทุกขงังทุกขังคือสภาวะที่มันไม่สามารถคงที่อยู่ได้ในสภาวะเดิม มันทุกขันตรงนี้มันเป็นทุกข์ที่มันเป็นตัจหาธรรมของของโรคนะมันเป็นกฎรรของโรคนะคือมัทุกอย่างไม่สามารถคงที่อได้นะไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีจิตใจก็ดีนะอาคารนี้ก็ดีต้นไม้ภูเขาลมฟ้าอากาศโลกไปนะั้มันมีการมันมีความทุกข์ที่มันต้องเปลี่ยนแปลงนะ อยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้ น, นี่คือทุกขังที่มันแสดงแล้าเราปฏิบัติธรรมบางทีเราคิดว่าเราปฏิบัติเพื่อจะไปจัดการกับอารมณ์หรือไปจัดบางทีเราปฏิบัติธรรมเราคิดว่าเราดีเราเก่งกว่าคนอื่นอยาจะไปจัดการของอื่นนให้เขาเป็นอย่างที่ใจเราต้องการนเธอเป็นคนไม่ดีเธอเป็นคนช่วยแค่ต้องจัดการเธอนะ เธอเป็นคนไม่มีสิ่งเธอคนที่ไม่รู้ธรรมะฉันต้องไปสอนต้อไปจัดการเลย น, นะแต่จริงปฏิบัติธรรมไม่ใช่ไปจัดการตัวเราเองหรือจัดการคนอื่นนะแต่จัดการเหมือ น, ในใคล้ายๆสอนสอนตัวเองหรือสอนคนอื่นแบบแบบไม่ได้คิดจะเป็นจัดการแต่เป็นเหมือ น, นเป็นการให้มืนเป็นการให้มันเป็นการบอกเป็นฉย เพราะการแต่งกายเนี่ยมันมีเป็นเกณฑ์ในกันใชมันจะมีความคาดหวังคาดหวังให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่คือการแต่งกายนะเราคาดหวังว่ามันจะต้องทําล้วมันได้แบบนั้นได้แบบนี้นะมันอันนี้คือมันมีความคาดหวังที่มันโผลลงไปแต่ถ้าเราทำเฉยเฉยนะมันจะมันจะล้าต่างคาดหวังนะมันจะล้าต่างคาดหวัง คือทําแบบรู้จิตใจซืๆอเนี่ยมันรู้แล้วมันจะได้อะไรวางไปเลยมันทําแล้วเขาจะเห็นดีเห็นไม่ดีเขาจะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยวางไปเลยเราหน้าที่เราก็คือแค่ทําหน้าที่เราคือเปลี่ยนแค่ให้นะเราจะไม่เป็นไม่เคยแต่งตาบ้ากมันก็เลยไม่เป็นอัตานะาตานะเพราะเราเห็นว่าเป็นอัตตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย มันเป็นอะไรที่เราบังคับไม่ได้มันจะเกิดความเข้าใจกังนี้แหละเกิดการเข้าใจในการที่เราลองแค่กลับมาดูดูร่างกายดูปิกใจบ่อยๆนี่แหละมันจะเห็นเลยว่าร่างกายเขาจ ะ, สะแสดงให้เราเห็นเลยร่างกายแสดงเห็นชัดคือความเป็นทุกข์นะร่างกายนั่นนงนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์ นอนนานทุกยหมก็ทุกนะใช่ไหมกินว่ากิ่มอร่อยกินไปเรื่อยๆก็ทุกนะใช่ไหมมันมีแต่ทุกกับแค่ทุกนะะเราทํางานทั้งวันเนี่ยเรานอนก็เพื่อแค่ทุกเรากินนะถ้าเรากินแล้วกินด้วยแต่กินนี่มันไม่รู้จักถ่ายเนี่ยมันก็ทุกนะใช่ไหมถ่ายก็เพิ่งแค่ทุกนะ กินเพื่อเพือแก้ทุกข์จากความหิวหายใจออกหายใจเข้าก็เพื่อแก้ทุกข์ของกันและกันนั่นแหละะหายใจออกไม่ใหายใจเข้าก็ทุกข์หายใจเข้าไม่หายใจออกก็ทุกข์มันมีแต่ทารพาวัทุกข์น่ะร่างกายเราดูลงไปเออร่างกายมันเป็นทุกข์เนาะถ้าเราเห็นทารพาวัรทุกข์ของร่างกายเนี่ยเราก็คิดว่าร่างกายนี้มัน มันก็ควดจะต้องดีตลอดนะ็นกวดจนจะตายไม่อยากให้แก่ไม่อยากให้เจ็บนะมันควรที่จะต้องใช้งานได้ดีตลอดนะเราก็เลยไปยึดมั่นสําคัญมายในร่างกายแต่เราก็ดูแลร่างกายนะนะเราเกิดมาเพื่อเรามีร่างกายเนะี่ยเอามาเพื่ออะไรปรมาเพื่อปฏิบัติธรรมนี่แหละเป็งนงานที่สําคัญที่สุดนะนะนะเรา แต่ร่างกายนี่ก็ยังสามารถทำงานในอื่นได้แต่กินว่าบวกเข้าไปบวกการวางใจนะให้ใจเรารู้นะแต่กายมันทำอะไรก็แล้วแต่ให้ใจคอยคอยรู้ถัดนะกายทำใจรู้นะมันจะทำอะไรก็แล้วแต่จะทำอะเสร็นะทำงานบ้านก็ทำนะทำงานออฟิก็รู้นะทำรู้ไปเรื่อย จะไปออกกําลังกายเล่นกีฬาออกโยคะก็ทําได้แล้วใจคอยตามรู้นะค่อยรู้กายที่เราเคลื่อนไหวบ่อยๆนี่แหละนะตามรู้ไปเรื่อยแล้วก็คอยรู้ทันจิตใจที่มันปุ่มแต่งขึ้นมาเราก็คอยรู้ทันนั่นเราก็จะได้บางทีพอได้อารมณ์ปฏิบัติมันก็สนุสนานในการปฏิบัติแต่บางคนก็นจะได้อารมณ์มันก็ ความเบื่อมานะหรือผ่านความม่วงนะแต่ถ้าเราจเจอสภาวะที่มันยังทําให้การปฏิบัติมันยังไม่มีความสุขเนาะส่วนใหญ่ก็ต้องเจอแบบนั้นแหละมันอาจจะยังไม่ค่อยสุขเพราะว่าเบื่อเพราะว่าง่วงหรือว่าเพราะเครียดนะแต่ถ้าเบื่อหรือง่วงเนี่ยอยากให้ใช้ขันตินะเป็นตัวนำเป็นความอดทนนะเป็นความอดทน เป็นที่ตัง้งบางทีปฏิวัติมันเบื่อเพราะว่ามันมันไม่ขินนะเราไม่ขินยก็เโดยเฉพาะียุคใหม่ยุคยุคที่แบบค่อนข้างอะไรรวดเร็วหรือว่าทันใจเนาะหรือว่ามีอะไรสนองหลายอย่างเนี่ยมันทำให้เราเป็นคนเบื่องนน่ายนะแค่กิจ เ, เหตุมันช้าเนี่ยก็เบื่อนนะที่ต้อง กดแต่มันไม่ม า, มมาทันทีนะโดดลูกแล้วก็ไม่ออกมาทันทีมันช้านะดึงทนะีถ้าสัญญาณลบมันหมดหนะมนินเลย น, น, นะมันทำให้เราเบื่อง่ายนะรอรถถ้ามาช้าแล้วก็หมดหิกแล้วนะีแต่เราดูว่าเราอยู่กับความเบื่อนะเราทำที่จริงเหมือนเรามาปฏิบัติทำเนี่ยเราบางการงานไว้ ที่ทางานเนาะเราวาเงเรเืนอราวเสรีจบ้านเอาไว้ที่บ้านเนาะอย่าเอาติดมาอยู่ตรงนี้เลยนะเอาให้เราเหมือนสะลัดมาช่วงคราวใหม่นะสะลัดมาแต่วันที่นี้นเราสะละเอางานไว้ที่ออฟฟิศที่ห้องทำงานเอาเรื่องราวที่บ้านไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือลูกหรืออะพ่อแม่นะเอาไว้ที่บ้านก่อนนะ เขาเราเออกมาเขาอยู่ใน จ, จนิตใจของเราตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ไม่มีประโยชน์นะคิดนะไม่ได้ทําเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกนะเอาวางไว้นะแต่บางทีเราพูดมันง่ายนะแต่ตอนทํามันมันไม่ง่ายเนาะแม้แต่คนที่บวชก็ดีนะแม้แต่คนที่เข้าวัดก็ดีบางทีก็มันก็จะมีเรื่องราวเนี่ยตามก็มานะหน้าที่เราก็ไม่ได้ห้ามเออ เข้ามาเนาะเออเราไปคิดถึงที่บ้านนะเนาะเราไปคิดถึงนานนะแล้วก็วางมันไปนะแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะมีสติรู้ทันแล้วก็วางมันไปไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ห้าว่ามันจะต้องไม่คิดนะแต่เรามีหลักก็คือว่าโอ้ตอนนี้เราปฏิบัติธรรมเราวางความคิดเรื่องงานก่อนเราวางความคิดเรื่องครอบครัวก่อนไม่ว่า ความคิดนั้นเจะดีขนาดไหนนะบางทีมันก็ความความหลอกลวงของกิเลสเนี่ยบางทีมันมาในภาพของไอ้สร้างภาพดีๆมาโดี๋ยวนะบางทีปฏิบัติเนี่ยมันจะสร้างภาพดีมากบางทีเรามาปฏิบัติไปนะมันคิดงานออกนะเป็นงานที่คิดไม่ออกแต่มันคิดออกหรือบางทีคิดโปรเจกต์ใหม่ๆที่สร้างสามารถนะ มันชวนให้เราคิดนะมันวนให้เราคิดนะหรือบางทีปฏิบัติตรงนี้โอ้เห็นคุณค่าขอการปฏิบัติมากนะมันก็คิดนะคิดคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงแฟนคิดถึงลูกคิดถึงเพื่อนอยากให้มาด้วยแต่ให้รู้ว่าตอนนั้นเป็นความคิดนะอคิดแล้วคิดแล้วมันพอนไม่ใช่เราแค่คิดถึงนะ มันคิดวิธีการเลยนะคิดวิธีการจะทำยังไงให้เขามาจะบอกเขาอยังไรจะล่อเ้าอย่างไรจะจูงเขายัางไรหรือบางทีบางคนชอบบังคับจะมีบังคับแบบไหนนะมันไม่ใช่คิดถึงแต่คิดวิธีการเแบบเส็จนะคิดต่อไปรือนะถ้าเขามาจะมีความสุขแบบไหนเรามีความสุขแบบไหนเนี่ย ในตอนที่เราเลยเป็นกลุมนี่แหละมาร์เคิดนะในตอนที่เราทําแบบนนีะ้มาร์กเก็ตคนะิดแต่ให้รู้ไว้นะคืขขอความคิดนะแต่ไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้นะแต่ให้รู้ว่าตอนปฏิบัติตตตทาเนะี่ยวางเป็นก่อนนะคล้ายๆเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่เรารู้ว่าเป็นแบบเนี้ยแต่ไม่ต้องไปลงรายละเอียดกับมันรู้นิดนึงพอนะละอ่าแล้วก็วางไว้พอถึงค้าจะเป็นอนะ่ะเราโยกจะรู้เองว่ามัน จะทําทได้กัำไม่ได้เลยนะเอาไปคํทำจะนะไม่ใช่ที่เราไปคิดมากนะบางทีมันพอเราได้ปฏิบัติเราได้ลมนะความคิดที่เป็นบุญคือสนนะความคิดในเชิงบวกนะมันเป็นดีมามากนะบางทีเราไม่ต้องสงในใจบางคนทาบุญหมดเนื้อหมดตัวนะเขาได้อารมณ์ในการประมาธิได้โดยการปฏิบัติทุ่มนะทุ่มหมดเนื้อหมดตัวลงไปก็มีนะ บางทีแต่ถ้าเราปฏิบัติในสายนี้นเราต้องใช้สัญญาเข้ามาจำกับด้วยนะไม่ใช่เอาแค่อารมณ์มันบางทีเป็นอารมณ์บุญนะแต่อารมณ์บุญเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทําให้เราออกนอกรูปนอกทางในการปฏิบัติเหมือนกันอย่างที่พูดเมื่อกี้ว่าส่วนหนึ่งบางทีก็เป็นความคิดอยากจะไปช่วยคนนั้นคนนี้อีกส่วนหนึ่งก็เป็นความคิดอยากจะไปทำนะ เหตุอันอนั้นไม่ดีก็อยากไปทํานะเห็นนี้ไม่ดีก็ไปทำํำนะมันเลยมีโครงการมีโปรเจกต์นะหลายคนเป็นบัตรปิจิวะบ า, างทีโอ้พอเป็นบัตลได้บุญเนะ น, นี่ยเสนอตัวนะอยากทํานั่นทำนี่นนเยอะๆมากมายบอกเลยให้การมีอะไรช่วยนะบอกเลยตอนนั้นมันมันเริ่มอยากจะทำํำนะทําดีๆแต่ที่จริงมาส่วนหนึ่งมันอาจจะหรือว่า ไม่รู้อาจาอาจไเลื่อย่อาจจะเบื่อปฏิบัติก็ได้นะอยากไปทํำนะหาอะไรทําแทนนะแต่ที่จริงถ้าทําอย่างมีสตินะก็ได้แต่บางทีมันทําแบบดื้ตัวนะมันไปนมุ่ง ม, มั่นเอาดีเกินไปนไปเอาดี ท, ำทำําทําวัตถุไปเอาดีทํานะเรื่องการสมคบนะเรื่องการอนุเคราะอย่างอื่นอันนี้เรียกว่าเป็น เทวบุตรมาร์ใจนั้นมันเป็นเหมือนเป็นเทวดาเป็นาปนางฟ้าพรนะสารียกว่าเป็นเทวบุตรมาเป็นมาอย่างหนึ่งที่ทำให้เราติดดีนะติดความสุขติดความกุศลต่างๆนะเราก็ต้องรู้ทันนะแล้วก็ผ่านแต่เราก็อาศัยอะไรเขาสติเป็นตัวประคองว่า อตอนนี้มันจะเป็นต้องทำเป็นงานส่วนรวมก็ทำนะเป็นงานที่จะเป็นต้องทำก็ทำงานนี้บางทีมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องว่าเราไม่ทำมันจะเสียหายอะไรมันก็วางไว้ ก, ก่อนก็ได้นะนำกลับมารูสุดตัวนะทำความรู้สึกตัวไนะปเรื่อยนะนะถ้าเราปฏิบัติกลเราได้อารมณ์มันจะดีตัว ตัวไม่ใช่เทวคุตตมาเนี่ยมันจะเข้ามานะวิ่งพอภาวนาไปเรื่อยเื่อยมันเพิ่มข้าใจธรรมะนะเข้าใจเรื่องรูปข้อใจเรื่องนามเนี่ยยิปัตสโนเนี่ ย, สส เ, ยเข้ามาสสนเนี่ยยิปัตสนนเนี่ยมันเป็นตัวธรรมะที่ละเอียดนะเห็นต้นไม้ร่วมเนี่ยก็ตีความเป็นธรรมะได้นะอดีอย่ามาเห็นโอ้ต้นไม้มันร่วมเนาะมัน ใบออกมันต้องการพักเนาะบางทีกนะ็คิดต่อนะเพือคนเราก็เหมือนกันนะบางครั้งก็ต้องพักผ่นแบบนั้นหรือบางทีหน้าแรงในต้นม้มันใบมันร่วลงมาไปนะเพื่อมันจะได้พักแล้วก็ล่ากมันก็จะได้หยั่งลึกลงไปยในพื้นีินนะมันจะได้เติบโนะ ต, ตขึ้นนะ มันต่างจากไม้ดอกไม้ประดักเนาะถ้าเราลดน้ํามันไม่ปล่อยรามันก็อยู่แต่คนดีมันไม่กบดึงไปถึงดินะมันก็คิดไปนะทันที่คิดเปียกเทียบกับคนเราเนาะความพุกมันก็ดีนะตรงเนี้ยมันทําให้เราต้องพยายามติดตัวให้มั่นคงขึ้นเรื่อยๆแต่อริงี่คือคำพูดที่ฟังเป็นความคิดของต้นมาแต่ก่อนนะคือมันตอกแล้วเกินแล้วกท้อ เห็นเป็นธรรมะนะ่ะคิดเป็นธรรมะไปหมดนะเห็นต้นไม้ใบหญ้าเห็นผู้คนเห็นสังคมมันมันมันเกิดความเข้าใจนะเกิดความเข้าใจแต่ส่วนหนึ่งมันก็ทําให้เราปีมันติดใจเลยนะมันไม่ได้แค่เข้าใจมันติดใจมันเกิดบางทีเกิดสภาวะคิดแล้วอยากเก็บจดไว้กลัวลืมนะเดี๋ยวไปพู่แล้วมันลืมนะแต่ฟีพอนะนะ มันติดนะมันกัวแตยจริงพวกนั้นก็นเหมือนเป็นธรรมะที่มันไม่ใช่เพื่อแก้ทุกนะแต่เป็นธรรมะไม่เชื่อเหมือนถ้าจะพูดจริงๆเหมือนเพื่อปวด <c oughs> เพื่อโชว์นะว่าเรารู้แบบนี้เราเข้าใจแบบนี้มันเป็นวิปัสสนูนนะวิปัสสนูนมันทำให้เทศเกณฑพูดเก่งนะอธิบายได้ดีนะ มันมันทําให้เราหลอกก่อไปที่เานั้นก็ได้บางคนเปติดวิปัสสนาุนก็จะไปชอบชอบสอนชอบเท่ชอบอชอบแสดงนะหรือบางทีก็มันก็บวกมุ่งสุดความคิดนั่นะคล้ายๆมันเหมือนรู้อ่ะเหมือนคล้ายๆมันเราเรียนหนังสือเนาะมังเกิดไหมตอนเราเรียนหนังสือเนี่ยบางทีเราก็อยากจะเกิเท่านั้น พอเรารู้เรื one other one other other ่องราวอะไรต่าเราก็อยากจะสอนอยากจะบอกคนอื่นเนาะเรามีความมั่นใจก่าเราเก่งสำคัญไหมเวลาเราเรียนจบปรญาตรีเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเดิ่มแน่ละนะพิษณุคชัจบด็อกเตอร์นี่ก็ตูแน่ละนะใช่ไหมเราคิดว่าเราเรารู้มากเราเก่งอ่ามันก็เลยอยากอยากบอกอยากสอนนะอยากแสดง มันก็เป็นวิธีการหนึ่งของจิตที่ทาให้เับติดบกมุ่นกับแม้เป็นความเข้าใจธรรมชาติบางอย่างนะแต่ธรรมชาติที่เราเข้าใจนะั้นมันไม่ได้เป็นธรรมชาติเพื่อการดับทุกข์นะมันเป็นธรรมชาติมีแค่เหมือนคิดแล้วก็เข้าใจนะเหมือนก้าเราเข้าใจวนะิทยาศาสตร์บางอย่างเราก็ปิดแค่เข้าใจกลไกของธรรมชาติโดยข้างนอกนะแต่เราดื้เข้าใจว่า ว่าตอนนี้กราหลงไปคิดมันไม่ใช่เข้าใจโต๊ะที่อริยสัจนะมันเป็นการเข้าใจสภาวะภาย น, นอกวนะิปัสสนูบางทีเป็นอย่างนั้นนะเราจะทําอะ่าไหนกลับมาจากวิปัสสนูกลับมาดูนะบันทีก็ว่างไปเลยทุกความคิดเนะ่ยว่างไปเลยนะว่าจะคิดดีขนาดไหนนะอย่าไปโจทย์มันแต่ยัข้อเตือนยัง่อกเลยว่าอย่าไปโจทยอย่าไปบันทึก น, นะ เป็นสภาวะต่างๆเนี่ยมีอารมณ์ในใจขึ้นไหมไม่ต้องมีมันขึ้นเพราะยิ่งมันขึ้นเรก็ยิ่งคิดตามในเรื่องตามที่เรามบรรลุนะภาวนาไปสมนามดาเนี่ยนะไม่ต้องว่าเราดีว่าอะไรเราไม่ดีนะ้ก็วางไปนะมาพอปฏิบัติได้อารมณ์แบบนะั้นบางทีก็ก็ติดอยู่นะติดอยู่แต่ก็โชคดีได้ฟั่งเทนพ่อผูงเขียนนะท่านอยากจะพูด ให้เราโดยเฉพาะอื่นพูดรวมๆเราก็ไม่เนอะแต่ท่านพูดจุดตอนหนึ่งว่าให้เราทําตัวเหมือนกับก๊อกน้ำนะก๊อกน้ํำรู้จัดไหมก๊อกน้ําำอย่าไปเปิดน้ําทิ้วยอะไรนาะถ้าคล้ายๆให้รู้จักเปิดรู้จักปิดนะถ้าบางขณะที่ต้องพูดต้องแสดงต้องสอนก็ค่อยพูดบางขณะก็ต้องปิดไว้นิ่งๆไว้อย่าไปเปิดรั่วนะ บางทีอารมณมิปัสจโนเนี่ยมันมันไม่ได้มองไม่ได้มองบุคคลเป็นบุคคลนะแต่มันมองเหมือนใครๆเหมือน้ผู้จับยาเนาะคนที่ใค่เป็นเดะ็ะ <c ười> เป็นคนที่เราจะได้สอนเราจะได้บอกเราจะได้ช่วย น, นะนะเห็นคนอื่ น, นี่ก็ที่จริงมันก็มีความเมตตาสงสารอยู่นะแต่เป็นแว่ามันมันไม่ได้รู้จักประมาณไม่ได้รู้จักตา ร, ราะเอศะ นะ ถ, ถ, ถ้าเราทาตัวแบบก๊อกน้ําเนี่ยเออจิตมันจะรู้ว่าเออพระพาวันนี้ควรจะพูดไม่หรือไม่ควรพู ด, พดนะสอนไม่ไม่สอนไม่เป็นไรจิตมันจะค่อยๆกลับมาเป็นนิ่งขึ้นในแ ง, ไง่ว่าเราอยู่กับตัเองได้ซึ่งนิ่งก็ได้เนาะไม่ต้องไปไปบอกไปสอนทั้งหมดก็ได้แต่ถึงคราวฉั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นก็เปิดก๊อกบ้างนะ แต่วิทยากนู้นเนี่ยเหมือนถ้าเราออกไปแต่ข้างนอกเนี่ยมันเหมือนน้ํายู่ในแทงนะไม่ใช่น้ําอน้ําในแทงเรามีจากัดเามรู้หรืออารมณ์ในการปฏิบัติมันก็มีจากัดเดียวไหลออกไปมากๆรั่วออกไปมากๆหมดเลยจีอเลยนะแต่คนพอตีดวิปัสกนู้นเจแต่อารมณ์ที่เคยได้เนี่ยต้องมาเริ่มใหม่ต้อมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ปล่อยออกไปหมดแทงนะ เปิ ด, ดปรั่วไปหนดเลยแต่เราต้องทําตัวเหมือนมันก๊อกน้ําปิดไว้บ้างนะปิดไปบ้างก็ภาวนาไปเยอะๆนะมันจะเตินมน้ำเข้าไปเยอะๆนะไอ้ที่พูดก็พูดไปก็พอนะแต่ก็ต้องเตินมน้ําำในการนะทําความรู้สึกตัวนี่หลวงพ่อบอกว่าทุกอารมณ์นะตั้งแต่เบื้องต้นในการปฏิบัติเนี่ยหรือว่า ปฏิบัติแล้วได้อารมณ์ติดขัดแล้วอารมณ์อะก็แล้วแต่นะทําแค่ความรู้สึกตัวอย่างเดียวนี่แหละได้ทั้งหมดเลยนะมันตั้งแต่เรื่องต้นก็ดีท่าการก็ดีหรือแม้ถึงที่สุดก็ดีแต่มาจะไม่ถึงนะนะแต่สมท้อนะถ้านก็เคยเล่าให้ฟังนะตอนที่สภาวะแก้วแตกของท่านนะสมท้อ บอว่าติมปฏิกับกระกบองข้อเทียนนั้นเหมือนเป็นสภาวะมันแก้มแตกมันต่อไม่ได้คือมันแก้วมันมันล้ามันแตกนะเนาะเราจะเอากาวมาติดมาต่อกันอ่ะมันก็ไม่เป็นแก้วไปเดิมละมันจะมีรอยล้ามันจะมีบางกวดที่มันหายไปท่านเปียกเหมือนสภาวะขันมันแตกนะท่านก็ไปเล่าสภาวให้หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียน ตอนนั้นฉันเสร็จฉันบางวันเสด็จถท่านเคยเล่าสภาวนะัฒน์เนี่ยหลวงพ่อเทบอกก็ไม่ไม่บอกว่าถูกหรือผิดนะแต่หลวงพ่อเทีบอกให้ไปกลับไปดูใหม่กลับไปดูใหม่ไม่ใช่กลับไปคิดใหม่นะแต่กลับไปปฏิบัติใหม่ปฏิบัติไปแล้วอืมหลวงพ่อท่านเนอะเข้าใจแว่าสภาวัฒนี้มันเออ ม, มันแตกดีๆมันก็แค่นั้นแหละ แต่ตอนนั้นสลวงพอเองอาจจะเห็นสภาวะแต่ยังมีความไม่แน่ใจอยากให้ครูบายจารคอยรับรองให้นะแต่พอปฏิบัติไปนะท่านไม่ต้องปฏิบัติไปมันเห็นแล้วมันมันแตกออกจากกันมันแยกออกจากกันมันไม่เกาะเกี่ยวด้วยกันเนาะมันอุบัติทานในขาในหลังมันมันมันแยกออกจากกันแขันทั้งห้ามันอยู่คนละกอ รูกระกองหนึ่งเวทนาก็กองหนึ่งสัญญาก็กองหึสัมพานก็กองหนึ่งวิญญาณก็กองหนึ่งมันไม่สามารถจะรวมกันได้นี่มันเป็นสภาวะที่หนวงพ่อเกณฑ์เองว่าเชื่อขาดนะนี่เราตัดที่เราตึงเชื่อตึงตึงแล้วก็ตัดน่ะจะดึงมาต่อนี่เป็ใหม่มันมันไม่ได้มันไข่กันนะแต่หลวงพ่อเกณฑ์เองว่าสภาวะแก้วแตกเชื่อขันมันไม่เกาะกันน่ะ แต่มัมีขันอยู่แต่เพียงมันไม่เกาะกันแต่หลวง้่อก็กลับมาทําความรู้สึกตัวเนี่แหละจนสภาวะมันมันชัดเอง น, นะท่านก็เลยได้ตอบตอบด้วยตัวท่านเองนะไม่ต้องไปหลงพ่อเองไม่ต้องรับรองก็ได้ละแต่ท่านก็รับรองตัวเองได้ในสภาวะตรงนี้ยหลงพ่อก็เลยพูดจากความมั่นใจว่าเราทําแค่ความรู้สึกตัวเนี่แหละนะสร้างสตินี่แหละนะมันได้ทั้ง ตั้งแต่เดิมแรกในการปฏิบัตินะทุกคนเลยนะโยมเราไม่ต้องสงสัยหรอกว่าเราอนะไม่เคย ท, ายทําสมาธิมาก่อนจะทําได้ไหมทาได้นะรับรองลอเลยนะหรือบางคนเคย ท, ายทําสมาธิมาก่อนก็ทําได้นะบางคนเคยปฏิบัติวิธีอื่นมาก่อนหรือไม่เคยปฏิบัติเลยเนะี่ยทําได้เหมือนกะันนะหลายคนนะ อย่างหลวงพ่อเขเขียเป็นตัว อ, อย่างในเรื่องของคนที่เคยทําสมาธิอาตมาเองก็เคยทําสมาธิมาก่อนแต่ก็มีบางคนที่ไม่เคยทําสมาธิมาก่อนอย่างเช่นอย่างอาจารย์บางคนเนี่ยผ่อนพิการเยก็ไม่เคยปฏิบททัติธรรมพิการแล้วก็คิดว่าเองปฏิบททัติธรรมไม่ได้นั่งเออถ้านอนดูลงหายใจก็มีระดับจิตไม่ได้เป็นสมาธินะก็ามาทาของซึ้งตัวเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะเนี่ย นั้นไม่ต้องสงสัยว่าเราจะทำได้หรือไม่ได้ที่จริงมันไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวว่าเรานะเคยทำสมาธิมาก่อนหรือเปล่านะไม่เป็นไรแต่เรามาทำความรู้สึกตัวนะมันจะมีการต่อเยา ว, ว์าในสิ่งที่เราทำนะทุกคนสามารถทำได้นะแต่มันก็ขึ้นไปกับความพยายความตั้งใจของเราเนาะ ให้เราพยายามทํำนะวันนี้ก็ผมได้ทําทั้งวันลองดูไม่ว่าอารมณ์มันจะบวกหรือลบนะให้ใจเราเป็นกลางกับทุกอารมณ์นะเราดูไม่ว่าม่วงหรือเบื่อหรือว่าสนุกเพล่ก็ให้ใจเป็นกลางนะถ้ามันไม่ใช่ว่าม่วงเบื่อไม่ดีเพลินสนุกดีนะที่จริงดีวิ่ดีเนะี่ย เราก็ติดเหมือนกันนั้นถ้าเราไปให้ข้างก็ติดแต่ถ้าเราใจเป็นกลางเนี่ยง่วงเรารู้ว่าง่วงเนี่ยถูกนะเบื่อรู้ว่าเบื่อน่ยก็ถูกแต่ถ้าสนุกเพลินแล้วเราไม่รู้ตัวเราไปอยู่ประมาณเนี่ยก็ผิดนะแต่ถ้าเพลินือสนุกแล้วเรา ù, เรา mình, ู้มันเอออันนี้กนะ็ถูกเนี่ยอันนั้นไม่ไม่ใช่เอาดีเราไม่ดี í, นะแต่เรารู้ตัวให้มันถูกต้องก็สิ ใจเป็นการตั้งมั่นในการดูนะดูบางเหตุบางนะก็ทําไปแบบนี้เราเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการภาวนาเนาะนะอันนี้แค่พูดที่ฟังนะหรือว่าเล่าประสบการณ์ตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อให้โยมนิดเกิดความมั่นใจว่าปฏิบัติทําแล้วมันมั น, ม, นมันต้องาำแบบไหนหรือว่าทํานั้นมันเกิดผลอย่างไรอยู่เนี้ย แต่เราก็ต้องทำให้มันเป็นลัาธะของตัวเราเองเนะแต่จริงติดอีกอย่างหนึ่งนทะี่สําคัญคือต้องวางใจละความอยากให้มันได้นะแต่คือแสดงธรรมนั้นมันมันก็อยากกันแค่ทุกคนนั่นแหละนะมันก็อยากนะแต่คล้ายให้วางมันได้ดบ้างตอนปฏิบัติให้พยายามดึงความอยากไปบ้างนะอย่าไปเอาความอยากนําหน้า ความอยากมันน่าคือคิดแตัทหารมันนำหน้าเนี่ยมันมันจะทํำแล้วมันไม่มันไม่มีความสุขนะมันอยากจะได้ผลคล้ายๆเหมือนกับเราทํางานเนาะถ้าเราคิดแต่ว่าเมื่อไหร่เงินเดือนจะออกนะหรือเราทําอะไรก็ตั้งแต่นะใจรู้สึกแต่ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จทันทีนะจิตมันจะทุกข์เนาะเหมือนเราเดินทางขึ้นเขาอะ่ะเมื่อไหร่มันจะถึงเนี่ย ยิ่งขึ้นยิ่งเหนื่อย น, นะภาวนาเขาเหมือนกันเมื่อไหร่มันจะรู้เมื่อไหร่มันจะเป็นเมื่อไหร่มันจะมีนะ่ะเราความอยากานะมันหน้เนี่ยมันยิ่ทํายิ่งเหนื่อยยิ่งทายิ่งมันยิ่งน่าเบื่อนะยิ่งทาแล้วก็เมื่อไหร่มันจะได้จะดีใจเราร้อนใจเราทุกขเนาะนะเราก็ต้องวางเหมวางความอยากนะทําไปตามเหตุนะทําไปเรื่อยๆ วางความอยากไว้ในใจน่ะวางไว้นะมันจะมีอยู่ทุกคนแหละเราจะไม่ใช่พระอารหันต์ย่อมมีความอยากแต่ลองทำใยการวางความอยากทีละขณะเราจะสมัมผัสสภาวะพระอารหันต์น้อยนะนะใจที่มันไม่มีปัญหานะก็คือใจที่มันไม่มีการไม่มีก็คือไม่มีเหตุของความทุกข์นะ ก็คือสภาวะที่มันไม่ทุกข์ในขณะนั้นนิดน้อยอย่างไรวางคิดแล้วขะเราจะสัมผัสได้อ๋ออันนี้เนาะสภาวะไม่ทุกข์ก็สือแค่นี้นะก็แค่ทําเหตุไปเรื่อยๆเนี่ยเราสัมผัสเนี่ยบ่อยๆนั้นเนาะพยายามทโดยการที่ไม่เอาความอยากมันเจือแต่ทําไปตามเหตุทําด้วยความขยันทําด้วยความพอใจที่จะพัฒนา แม้บางทีอาจจะทุกบ้างที่เรเจอนะปฏิบัติธรรมงมติอาจจะคิดว่าทําไมเราต้องมาทุกแบบนี้นะทําไมต้องมาง่วงทนง่วงขนาดนี้ทําไมต้องมานั่งปวดขาแบบนี้นะไปนอนน่าจะสบายกว่าไปเล่นน่าจะสบายกว่าเนาะมันทุกทั้งกายทุกทั้งใจนะแต่เราทําไมต้องทําแบบนี้นะเพราะพระเจ้าทรงสอนว่า การยกสัตสิ่งเขาได้ทุกคือสิ่งที่เราต้องรู้ต้องเรียนรู้ต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจนั้นเราทําเนี่ยมันคุกถือว่าถูกทางนะเพราะเราเห็นทุกเนีเราเห็นทุกแต่อีกทุกมันมีทุกวันแต่เราไม่เห็นเพราะเราไม่ศึกษาก็เราเลี่ยมันเบื่อเราก็เลี่ยมไปทำอย่างอื่นเห็นไหมเป็นคิดอย่างอื่นแต่ งนัพอเราปฏิบัารรมนั้นมันทุกข์นะแล้วเราไม่ไปเลี่ยงมนะันเนี่ยคือการดูทุกข์คือการรูทุกข์การดูทุกขนะ์การเห็นทุกขนะ์เนี่ยทาให้เราทนทุกข์นะลองดูนะลนะองพิสูจน์ขั้ตรบบรอนนี้เลยแค่ดูทุกข์ก็ทนทุกข์นะประกบพอสมควรนะนะเวลาเดี๋ยวเราลับพระแล้วก็เดี๋ยวไปเดิจนจะคงรับสรุปกัน